พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองอนุมาณสูตรการเปรียบตนกับผู้อื่นธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากสมัยหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะพำนักอยู่ณเพศกาลาวันสถานที่ให้อภัยแก่หมูเนื้อเขตกรุงสูงสุมาราคีริในแคว้นพักคะณัณที่นั้นพระมหาโมคลานะได้เรียกภิกษุทั้งหลายแล้วกล่าวเรื่องนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุปรารนาว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่ายากมีธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากไม่อดทนไม่ยอมรับคำพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนั้นเพื่อนปรมาจารย์ทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่า เป็นผู้ไม่ควรว่ากล่าวไม่ควรพร่ำสอนและไม่ควรไว้วางใจธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. นเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาป 2. เป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่น 3. เป็นผู้มักโกรธ ถูกความโกรธครอบงำแล้ว 4. เป็นผู้มักโกรธผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุ 5. เป็นผู้มักโกรธประแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุ 6. เป็นผู้มักโกรธแปลงวาจาด้วยความโกรธ 7. ถูกโจย์แล้วกลัดโต้เถียงผู้โจท แถูกโจดแล้วกลับลุกลานผู้โจทเก้ 9. ถูกโจดแล้วกลับปรับปรำผู้โจดสิบถูกโจดแล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ 11. ถูกโจดแล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตน 12. เป็นผู้ลบหลู่ขุนท่านตีเสมอ 13. เป็นผู้ริษยาตรนี 14. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 15. เป็นผู้กระด้างมักดูมิน 16. เป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากธรรมะเหล่านี้ เรียกว่าธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่ายท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าภิกษุไม่ประวรณาไว้ว่าขอท่านจงว่ากล่าวข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ท่านควรว่ากล่าวได้แต่ภิกษุนั้นเป็นผู้ว่าง่ายมีธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นผู้อดทน ยอมรับคําพร่ำสอนโดยเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อนพระมจารีทั้งหลายย่อมเข้าใจภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ควรว่ากล่าวควรพร่ำสอนและควรไว้วางใจธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่าง่ายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินนันนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่มีความปรารถนาที่เป็นบาปไม่ตกอยู่ในอานาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาป 2. เป็นผู้ไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่น 3. เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ถูกความโกรธครอบงำ 4. เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุ 5. เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่ระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุ 6. เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่เปล่งวาจาด้วยความโกรธ เถูกโจ์แล้วไม่โต้เถียงผู้ที่โจ์ตน 8. ถูกโจ์แล้วไม่รุกรานผู้ที่โจ์ตน 9. ถูกโจ์แล้วไม่ปรักปรมผู้ที่โจ์ตน 10. ถูกโจ์แล้วไม่พูดกลบเกลื่อนไม่พูดนอกเรื่องไม่แสดงความโกรธความประสงค์ร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏ 11. ถูกโจดแล้วยอมอธิบายพฤติกรรมของตน12เป็นผู้ไม่ลบหลู่ขุนท่านไม่ตีเสมอ13เป็นผู้ไม่ริษยาไม่ตรณี14เป็นผู้ไม่โอ้อวดไม่มีมารยา15เป็นผู้ไม่กระด้างไม่ดูหมิ่นผู้อื่น16เป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ ไม่ถือรั้นสลัดได้ง่ายธรรมะเหล่านี้เรียกว่าธรรมะที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายการอนุมาณตนเองท่านผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมะ16ประการที่ทำให้เป็นผู้ว่ายากและเป็นผู้ว่าง่ายนั้นภิกษุควรอนุมาณตนเองหมายถึงภิกษุควรอนุมานเปรียบเทียบ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 ไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจากไม่ยกตนจกไม่ข่มผู้อื่นภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มาโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำผูกโกรธระแวงจัดแหล่งวาจาด้วยความโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเรา ถ้าเราจะพึงเป็นผู้ผูกโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจกไม่ทำสิ่งเหล่านั้นภิกษุควรอนุมานตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ถูกโจ์แลกลับโต้เถียงผู้โจดถูกโจ์แลกลับลุกรานผู้โจ์ถูกโจ์แลกลับปรักปรผู้โจด ถูกโจดแล้วกลับพูดกบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธประสงร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏถูกโจดแล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอเป็นผู้ริษยาตรนีเป็นผู้โอ้วดมีมารยาเป็นผู้กระด้างมักดูมินเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยาก ธรรมะเหล่านี้เรียกว่าธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากภิกษุควรอนุมาณตนเองอย่างนี้ว่าบุคคลผู้มีธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากแต่ละข้อนั้นย่อมไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของเราถ้าเราจะทําสิ่งเหล่านั้นเราก็คงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนเหล่าอื่นภิกษุเมื่อรู้อย่างนี้ควรคิดว่าเราจะไม่เป็นไม่ประพฤติ ธรรมะที่ทําให้เป็นผู้ว่ายากทั้ง16ข้อนั้นการพิจารณาตนเองท่านผู้มีอายุทั้งหลายในธรรมะ16ประการนั้นภิกษุควรพิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้มีความปรารถนาที่เป็นบาปตกอยู่ในอํานาจแห่งความปรารถนาที่เป็นบาปหรือไม่ถ้าพิจารณาอยู่จนรู้ว่าเป็นตามนั้นจริง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 ภิกษุควรพ <des k> ิจารณาตนเองอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้ยกตนข่มผู้อื่นหรือไม่เราเป็นผู้มักโกรธ ถ, ถูกความโกรธครอบงำหรือไม่เราผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุหรือไม่เราเระแวงจัดเพราะความโกรธเป็นเหตุหรือไม่เราเปล่งวาจาด้วยความโกรธหรือไม่เราถูกโจดแล้วกลับโต้เถียงโจดหรือไม่ เราถูกโจ์แล้วกลับลุกรานผู้โจดหรือไม่เราถูกโจ์แล้วกลับปรักปรําผู้โจดหรือไม่เราถูกโจ์แล้วกลับพูดกลบเกลื่อนพูดนอกเรื่องแสดงความโกรธประสงร้ายและความไม่เชื่อฟังให้ปรากฏหรือไม่เราถูกโจ์แล้วไม่ยอมอธิบายพฤติกรรมของตนหรือไม่เราเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านตีเสมอหรือไม่ เราเป็นผู้ริสยาจรีโออวดมีมานยากระด้างมักดูมินหรือไม่เราเป็นผู้ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ถือรั้นสลัดได้ยากหรือไม่ถ้าพิจารณาอยู่และรู้อย่างนี้ว่าเราเป็นดังนั้นจริงภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอกุศลธรรมเหล่านั้นซะ แต่ถ้าพิจารณาอยู่รู้อย่างนี้ว่าเราไม่ได้เป็นดังนั้นเราประพฤติธธ ร, รมที่ทำให้เป็นผู้ว่าง่ายอยู่เช่นไม่มักโกรธไม่ลบหลู่บุญคุณท่านไม่ตีเสมอไม่ริษยาไม่โออวดเป็นผู้ไม่กระด้างเป็นผู้ไม่ถือความเห็นของตนเป็นใหญ่ไม่ถือรั้นสลัดได้ง่ายภิกษุนัน ผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนพึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทโดยแท้ถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอากุศลธรรมเหล่านั้นแม้ทั้งหมดซึ่งยังละไม่ได้ในตนภิกษุนั้นควรพยายามเพื่อละบาปอากุศลธรรมเหล่านี้ทั้งหมดนั่นแลแต่ถ้าพิจารณาอยู่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 ถ้าพบไฟหรือฝ้าที่ใบหน้านั้นย่อมพยายามที่จะกำจัดไฟหรือฝ้านั้นนั่นแหลหากไม่พบก็จะพอใจว่าเป็นโชคของเราจริงจริงใบหน้าของเราหมดจดแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอากุศลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ยังลกไม่ได้ภิกษุนั้น ควรพยายามเพื่อละบาปอากุศลลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดนั่นแหละถ้าภิกษุพิจารณาอยู่ย่อมเห็นชัดบาปอากุศลลธรรมเหล่านี้แม้ทั้งหมดที่ละได้แล้วในตนภิกษุนั้นผู้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในกุศลลธรรมทั้งหลายทั้งกลางวันกลางคืนอึงอยู่ด้วยปีติและปราโมทย์โดยแท้ ท่านพระมหาโมคลานะได้กล่าวภาสิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมภาสิทธ์ของท่านพระมหาโมคลานะดังนี้แหละจบอนุมานสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง